ผู้ที่ประสบความสําเร็จและผู้ที่พ่ายแพ้ล้มเหลวทําไมจึงเป็นเช่นนี้เล่าถ้าหากจะวิเคราะห์จากรูปร่างหน้าตาความสามารถประวัติการศึกษาคนเหล่านี้อาจจะไม่แ ต, ตกต่างกันมากนักแต่คนบางคนกลับได้รับความนิยมชมชอบจากคนทั่วไปในขณะที่คนบางคนไม่เป็นที่ต้อนรับของผู้อื่นคนบางคนบริหารการเงินเก่งมากแต่คนบางคน กลับเป็นนี้เป็นสินชาวบ้านทั้งปีคนบางคนมีความสุขกับชีวิตเสมอแต่คนบางคนกลับหน้าเศร้าทั้งวันไม่เคยมีความสุขกับชีวิตแม้แต่น้อยคนบางคนพบแต่ความโชคดีในขณะที่คนบางคนพบแต่ความโชคร้ายทําไมจึงเป็นเช่นนี้เราบางท่านอาจจะตอบว่าทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับวาสนาคนไหนวาสนาดีชีวิตก็มีความสุข คนไหนว่าสนาไม่ดีชีวิตก็เจอแต่เรื่องไร้ายไม่ว่าชะตาลิขิตจะเป็นเช่นไรก็ตามเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของเราได้ถ้าหากเรามีจิตใจที่เข้มแข็งกล้าสู้ชีวิตมีความขยันหมั่นเพียรสิ่งที่เคยเลวร้ายก็จะดีขึ้นสิ่งที่ดีอยู่แล้วก็จะดียิ่งยิ่งขึ้นในทัศนะของผู้ที่ประสบความสําเร็จ พวกท่านต่างเห็นว่าความสําเร็จคือผลพวงแห่งความมา n นะบากบันเส้นแบ่งเขตระหว่างความสําเร็จกับความล้มเหลวก็คือเมื่อล้มแล้วกล้าลุกขึ้นมาทดลองใหม่อีกครั้งหนึ่งหรือไม่ถ้าหากกล้าสู้ต่อไปอย่างไม่ท้อถอยชีวิตก็จะประสบความสําเร็จอยากได้อะไรก็จะได้สิ่งนั้นสมปรารถนาเทพชุดนี้ ได้รวบรวมคติแห่งความสำเร็จจากปราดเมธีทั่วโลกมาเสนอสต่อท่านผู้ฟังคติเหล่านี้เป็นสัจธรรมแห่งชีวิตจึงทอประกายเ จ, จ, จิดจรัสอยู่ทุกยุคทุกสมัยถ้าท่านฟังแล้วนํามากบคิดนํามาตรวจสอบกับชีวิตจริงของเราท่านจะได้แง่คิดประจำวันที่ดีมากทำให้เรามีพลังในการต่อสู้ชีวิตมากขึ้น มีโอกาสประสบผลสำเร็จมากขึ้นในสมัยเด็กๆเราชอบฟังนิทานก่อนนอนเมื่อโตขึ้นก็ขอให้เรามาฟังคติชวนคิดก่อนนอนเถอนะเพื่อที่ชีวิตในวันพรุ่งนี้จะได้ดีกว่าวันวานที่ผ่านไป เคยมีผู้ที่ประสบความสําเร็จท่านใดที่ประสบความสําเร็จอย่างง่ายๆก่อนหน้าที่จะประสบความสําเร็จทุกคนล้วนต้องต่อสู้กับความยากลําบากสารพัดสารเพต้องทุกข์ยากตรากตําต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคขัดหนามพวกเขาเสียน้ําตาอยากเหงื่อลินหยดลงเรียวลงแรงอย่างมหาศาลในที่สุดก็ประสบความสําเร็จอย่างที่คนทั่วไปเห็นแล้ว อิจฉาไม่ได้ถ้าไปสัมภาษณ์บุคคลที่ประสบความสําเร็จในงานอาชีพต่างๆว่าในขณะที่ท่านรู้สึกผิดหวังท้อแท้ห่อเหี่ยวที่สุดนั้นท่านเคยนึกเสียใจกับการเลือกทางเดินของตนเองหรือไม่ร้อยละร้อยของพวกเขาก็จะตอบว่าไม่ทําไมดอกเหมยจึงไม่เลือกเบ่งบานในฤดูใบไม้ผลิที่แสงแดดอบอุ่น สายลมอ่อนโยนแต่กลับเลือกผลิดอกออกบานสะพังในฤดูหนาวอันหนาวเหน็บคำตอบก็คือก็เพราะว่าดอกเหมยก็คือดอกเหมยนะสิทำไมผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายไม่เลือกงานที่ทำง่ายๆแต่กลับเลือกงานที่แสนจะระบาดกรากตรมคำตอบก็คือก็เพราะว่าจุดนี้คือจุดที่ผู้ยิ่งใหญ่แตกต่างจากคนสามัญ น, นะสิ แม้แต่ผู้ประสบความสําเร็จในระดับเล็กๆทั่วไปพวกเขาก็ล้วนแต่ต่อสู้มาอย่างมานะบากบันฝึกฝนหล่อล้อมเป็นเวลานานา น, นับวันนับปีจึงได้ริ้มรสอันหอมหวานจากความสําเร็จร่างกายที่ไม่เคยฝึกฝนมาก่อนจะอ่อนแอไม่แข็งแรงจิตใจที่ไม่เคยหล่อหลอมมาก่อนจะอ่อนเปราะแตกง่าย สติปัญญาที่ไม่เคยผ่านกนารทดสอบมาก่อนจะตื่นเขินและฟุ้งซ่านได้ง่ายเพราะฉะนั้นการฝึกฝนหล่อหลอมจึงเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อคนเราอย่างมากมาย อยากลิ้มลองรสชาติอันหอมหวานของชีวิตก็จะต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยนสิ่งนั้นคือความมานะบากบันอยากเหงื่อและเลือดเนื้อถ้าหาักทนความยากลำบากไม่ได้ท่านก็จะถูกความยากลำบากโจมตีจนกระทั่งล้มลงไปเวลานี้พวกเรามีชีวิตอยู่ในสังคมที่ปั่นป่วนวุ่นวายเหมือนยืนอยู่ท่ามกลางพายุร้าย พายุพร้อมที่จะซัดกระนำเราอยู่ทุกเมื่อต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าเรากําลังเผชิญหน้าอยู่กับพายุร้ายเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเชื่อมั่นในตัวเองจึงจะไม่ถูกลมพายุซัดกระนำจนล้มคว่ำคมามงายเหนื่อยหน้าขึ้นมาปลุกใจของเราให้คึกคักกล้าหาญแล้วเราจะได้ค้นพบว่าลมพายุแค่เฉียดผ่านตัวเราไปเท่านั้นเอง การเชื่อมั่นในตนเองเป็นแหล่งศรัทธาที่ดีที่สุดอย่าล้มเพราะอุปสรรคปัญหาต่างๆในโลกนี้ล้วนมีคำตอบอันเหมาะสมของมันเองตองดุ ด, ดังแม่กุญแจทุกตัวที่มีลูกกุญแจที่พอเหมาะพอเจาะในการไขาขาน สิ่งที่ทำให้เราหมดเรี่ยวหมดแรงนั้นหาใช่ภูผาที่ตั้งตรงานอยู่เบื้องหน้าไม่หากแต่เป็นสายเมกก็ดเล็กเม็ดนึ่งในรองเท้าของเรานั่นเองผู้ที่มีจิตใจกล้าแข็งจะต้องอดทนต่อการฝึกฝนหล่อหลอมได้ทุกชนิด เขามองเห็นความยากลําบากต่างๆที่แบอยู่เบื้องหน้าแต่เขาก็ยังคงเดินเข้าไปแก้ปัญหาเดินเข้าไปเผชิญหน้ากับความยากลําบากเหล่านั้นอย่างรับผิดชอบเขาไม่เคยหวั่นเกรงหรือคิดท้อถอยเลยคนสมัยนี้ยังคงมีแนวโน้มที่ประเมินค่าของตนเองต่ําเกินไปแต่ประเมินค่าความยากลําบากที่แบอยู่เบื้องหน้าสูงเกินไปดังนั้นหลายคนจึงชอบคิดว่า ตนเองทําไอ้นี่ไม่ได้แก้ไขปัญหาอันนั้นก็ไม่ไหวแต่ถ้าประเมินค่าความยากลําบากและปัญหาต่างๆให้ต่ํากว่าความสามารถของเราเวลาแก้ปัญหาหรือรเผชิญหน้ากับความยากลําบากเราจะรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างง่ายขึ้น ต้นไม้ที่แข็งแกร่งที่สุดคือต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ในบริเวณที่โดดเด่นที่สุดถูกลมถูกฝนซัดกระหน่ำอย่างจังโดยปราศจากการปกป้องของต้นไม้ชนิดอื่นๆมันเติบใหญ่เป็นไม้ลำค่าท่ามกลางการซัดกระหนำ่ำอย่างรุนแรงของลมและฝนกระแสะแห่งยุคสมัย ทำให้จิตใจของมนุษย์ร่วมสังคมฟุ้งเฟอ้อเหอื่อเหือมยิ่งขึ้นศีลธรรมในใจคนเสื่อมทามลงความผูกพันระหว่างคนกับคนเปราะบางยิ่งขึ้นความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันกิ่ น, น้อยลงความเห็นแก่ตัวกลายเป็นลักษณะจิตใจของคนทั่วไปโดยเฉพาะคนในเมืองใหญ่ๆต่างสวมหน้ากากเข้าหากันหาความจริงใจแทบจะไม่ได้ ทุกคนกลัวว่าความเห็นอกเห็นใจจะนำความยุ่งยากมาสู่ตนดังนั้นจึงมีการแสดงออกที่แรงนำใจมากๆนี่เป็นเพราะสีแวดล้อมทำให้เป็นไปเราไม่ควรจะต้อนตีเตียนพวกเขามากมนักแต่ว่าความยิ่งใหญ่ของมนุษย์นั้นแสดงออกที่การมีน้ำใจนี่แหละทั้งๆ ท, ท, ที่เรื่องบางเรื่องไม่เกี่ยวข้องอะไรกับตนเลย แต่ความเหนนอกขิงใจทำให้พวกเขาเข้าไปช่วยเหลือเจือจานราวกับว่าเป็นธุระของตนเองก็ไม่ปานทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะน้ำใจเป็นตัวผักดันนั่นเองด้วยเหตุนี้เองเราจึงกล้าพูดอย่างเต็มปากเต็มคำว่าคนที่แร้งน้ำใจก็คือคนที่ไร้ซึ่งความเป็นมนุษย์ สิ่งต่างๆโดยคำนึงถึงศีลธรรมจรึงเป็นคนที่มีความบริสุทธิ์ใจเป็นคุณธรรมคำนุนทาวาดร้ายหรือการวางอำนาจบาตรใหญ่โกหกหลอกลวงจะไม่หลงเหลืออยู่ในจิตใจของเขาแม้แต่น้อยความอ่อนโยนใจดีมีเมตตาซื่อตรงเปิดเผยใจกว้างล้วนเป็นคุณสมบัติอันล้ำค่า น้ำค่ากว่าทรัพย์สินหมื่นล้านแสนล้านเสียอีกอีกทั้งคุณสมบัติเหล่านี้ยังเป็นสมบัติที่ไม่ต้องสิ้นเปลืองเงินทองไปซื้อหาเอามาตรงกันข้ามกับเป็นคุณสมบัติที่สามารถทําให้ธุรกิจการงานต่างๆเจริญรุ่งเรืองขึ้นถ้าหากเราทํางานด้วยจิตใจเช่นนี้หนาจิ้ม น, นั้นก็จะมีพัฒนาการก้าวหน้าช่นคนอื่นตกใจ ในชีวิตของคนเรานั้นไม่มีสมบัติใดจะนําค่าไปกว่าความเมตตาอ่อนโยนใจกุศลทําแต่ความดีอีกแล้วเพื่อนรักทั้งหลายเราเคยช่วยเหลือคนอื่นบ้างไหมเคยให้กำลังใจคนอื่นบ้างหรือเปล่านี่เป็นการให้ที่ไม่ทำให้เรายากจนลงตรงกันข้ามมันมีแต่จะเพิ่มกลับเพิ่มมากขึ้นเราให้ความช่วยเหลือ ให้กำลังใจแก่คนอื่นมากเท่าไหร่คนอื่นก็จะยิ่งให้ความช่วยเหลือให้กำลังใจตอบแทนแก่เรามากขึ้นเท่านั้น ชื่นที่คนทั่วไปได้อรับในวัยชารานั้นส่วนใหญ่เป็นพืชพันธุ์ที่พวกเขาหว่านไว้ตั้งแต่ยามหนุ่มสาวมีคนพูดว่าวัยเด็กเป็นวัยแห่งความสุขเป็นวัยที่คึกคักแจ่มใสประดุดดังฤดูใบไม้ผริวัยหนุ่มสาวเป็นวัยที่เร่าร้อนประดุดดังฤดูร้อนวัยชาราเป็นวัยที่เศร้าส้อยเต็มไปได้วยความปริวิตก ประดุดดังปลายด้วยดูใบไม้ร่วงวัยกลางคนเป็นววยที่ต้องคิดมากที่สุดถ้าไม่คิดมากเพราะลาบยศสรนเสริญก็คิดมากเพราะลูกเต้ามีปัญหายิ่งถ้าล่วงพ้นถึงไวยชรลาด้วยแล้วชีวิตก็ยิ่งเศร้าหมองแต่ไวยชราก็ใช่ว่าจะหมองคล้ำเสียทั้งหมดมันยังมีบางส่วนที่น่าอภิรมอยู่เช่นกันมีคนแก่จานวนมาก ที่มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขทั้งนี้ก็เพราะว่าในวัยหนุ่มสาวพวกเขาได้ทํางานอย่างมานะบากบัน่นเมื่อแก่ตัวลงผล พ, พวงที่เกิดจากความมานะบากบั่นของตนเองจิงเอื้ออํานวยให้ชีวิตของพวกเขามีแต่ความสุขและมีที่พึ่งทําให้ชีวิตของพวกเขาไม่เคว้งคว้างไม่ขมขื่นนักนี่เป็นการยืนยันให้เห็นว่าแม้ชีวิต จะไม่ใช่เหล้าที่หวานชำแต่ก็ไม่ใช่ยาขมที่น่าชางังมันมีทั้งรสหวานและรสขมในความหวานมีรสขมและฝ้าเจือปนอยู่ด้วยในความขมก็มีความเปรี้ยวซ่อนปนอยู่เก็บรสชาติที่แปลกของชีวิตไว้ขบเคียวชา้ชาๆในยามชาราจึงจะเข้าใจชีวิตได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น นักวิ่งหลายคนพ่ายแพ้เพอาะก้าวสุดท้ายเพียงไม่กี่ก้าวเท่านั้นเครือหลายลำจมหายเมื่อใกล้จะถึงฝั่งการศึกษาหลายครั้งพ่ายแพ้อยู่ในสมรภูมิยกสุดท้ายบนหนทางชีวิตของเราเราควรจะตั้งความหวังอะไรไว้บ้างเมื่อตั้งความหวังอะไรไว้ขอจงอย่าหยุดที่สําคัญที่สุดก็คืออย่าละทิ้งกลางคัน อนาคตเป็นของนักประจนภัยผู้กล้าหาญพวกเขากล้าโลดแล่นสู่เวลาแห่งอนาคตการที่ยังมาไม่ถึงเพราะในความคิดของพวกเขานั้นไม่กลัวการทดลองสิ่งใหม่ๆกิงกล้าทดลองทําโครงการใหญ่ๆโดยไม่คำนึงถึงความมั่นคงของตนเองขอให้ทุกท่านกล้าจับงานใหญ่ๆด้วยความถ่อมตนซื่อสัตย์ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและมีความคิด อันสูงส่งเถิดความยากง่ายเสเร็จหรือล้มเหลวของการงานล้วนขึ้นอยู่กับทัศนะและการตัดสินใจของเราเองเราไม่ควรหลงมนของพูดผีซาตานปล่อยให้ตนเอง จมกลักอยู่ในห้วงแห่งความผิดหวังใครๆก็เคยมีช่วงเวลาที่เกิดความรู้สึกอ่อนแอเพียงแต่ว่าคุณจะมีวิธีการปรับอารมณ์ความรู้สึกให้เป็นปกติได้อย่างไรเท่านั้นเองถ้าหากคุณมีพลังพอเข้มแข็งพอคุณก็จะสามารถผ่านช่วงกระแสต่ำได้เสมอบนหนทางชีวิตถ้าเจออุปสรรค ขอเพียงคุณยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นตรวจสอบสภาพแ่ดล้อมอย่างละเอียดที่ท่วนรับเหตุการณ์ต่างๆอย่างสงบเยือกเย็ยนต่อให้อุปสรรคนั้นใหญ่หลวงแค่ไหนคุณก็สามารถผ่านพ้นไปได้โบรารณท่านสอนไว้ว่าอับจนนักก็จงเปลี่ยนวิถีเปลี่ยนวิถีเมื่อใดก็สะดวกโยอื่นเมื่อนั้นต้องมีจิตใจที่ไม่ย่นย่อต่ออุปสรรค คนณทางอันครุขะจึงจะถูกปรับให้ราบเรียบได้ จีนสมัยราชวงศ์ถังกล่าวไว้ว่าอ่านหนังสือหมื่นวิชาให้เจีย์จบในอุรายามเขียนคล่องหนักหนาผู้กันดังเทพพาการอ่านหนังสือมากๆนั้นดีมากแต่ที่สําคัญก็คือต้องอ่านให้เข้าใจคําว่าให้เจีย์จบในอุราหมายความว่าอ่านแล้วต้องย่อยได้กล่าวคือสามารถดูดซับวิชาความรู้ในหนังสือ และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริงทำให้ความรู้ในตำรากลายเป็นภูมิปัญญาของเราเช่นนี้ตำราหมื่นวิชาที่อ่านเข้าไปจริงจะไม่กลายเป็นความรู้ที่ตายบ้านและตัวเราก็จะไม่ถูกตราหาว่าเป็นหนอนหนังสือ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเขามีอะไรหรือทําอะไรแต่ขึ้นอยู่กับว่าเขาเป็นคนอย่างไรมีคนพูดว่าโลกนี้โหดอรนะ้ายนักคําพูดคํานี้มีส่วนจริงอยู่บ้างแต่หากมองจากอีกแง่มุมหนึ่งโลกนี้ก็ยุติธรรมดีเหมือนกันเพราะว่ามีแต่คนที่เข้มแขง็งพึ่นตนเองรักความก้าวหน้าเท่านั้น จึงจะมีเกียรติและได้รับค่าตอบแทนส่วนคนที่ไม่ใฝ่หาความก้าวหน้าก็จะถูกลงโทษอย่างสาสมในชีวิตของคนเราทุกคนต่างมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเหมือนกันหมดแต่จะประสบความสําเร็จมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับตัวเองเป็นสําคัญปัจจัยที่ส่งเสริมให้คนคนหนึ่งก้าวขึ้นมายืนอยู่บนจุดสุดยอดของโลกได้นั้นก็คือความมานะ บักบันและความเพียรพยายามของเขานั่นเองตำแหน่งอันสูงส่งในสังคมไม่เคยเป็นของคนเกียจคร้านเลยพระเจ้าทรงประทานของขวัญชิ้นใหญ่ที่สุดแก่มนุษย์นั่นคือความขยันขันแข็งถ้าหากเอาแต่นั่งนั่งนอนนอนรอให้ราชรถมาเกยรอจนตายก็ไม่สมหวัง ชีวิตของคนเรานั้นแสนสั้นจึงควรยึดกลุ่มโอกาสทำการศึกษาให้ดีที่สุดอย่าปล่อยเวลาให้ผ่านพ้นไปอย่างไร้ความหมายถ้าจะพูดว่าชีวิตในวัยเรียนเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากที่สุดก็คงจะไม่ผิดนักแม้กระทั่งชีวิตจะประสบความสาเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับวัยทองช่วงนี้แหละจะใช้เวลาอัานมีค่าในช่วงนี้ ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองมากที่สุดได้อย่างไรเรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิมือในการบริหารเวลาของคุณเองเวลาของนักเรียนไม่เหมือนเวลาของคนทั่วไปทําไมจึงพูดเช่นนี้เล่าก็เพราะว่านักเรียนส่วนใหญ่จะร่ําเรียนด้วยในสถานศึกษาทุ่มเวลาทั้งหมดให้แก่การศึกษาเล่าเรียนอยา่างเต็มที่ซึ่งโชคดีกว่าคนทั่วไปมากนัก เหลียวสืดชิวนักการศึกษาชื่อดังของจีนกล่าวว่าตอนที่เรียนหนังสืออยู่ในโรงเรียนชีวิตช่างน่าอิจฉามากไม่ต้องห่วงกังวลเรื่องอะไรทั้งสิ้นเวลาก็เป็นของตนเองทั้งหมดแต่ทว่าน้อยคนนักที่จะรู้จักกุมโอกาสทองอันนี้ไว้ส่วนใหญ่มักจะใช้เวลาอย่างสุรุ่ยสุร่ายน่าเสียดายเหลือเกิน มนุษย์มักเป็นเช่นนี้เสมอมีข้อดีอยู่กับตัวแต่ไม่รู้จักหวงแหนโดยเฉพาะสภาพแวดล้อมที่ดีมีความสุขแต่กลับไม่รู้ว่าสุขถ้าเราไม่รู้จักหวงแหนเวลาในช่วงวัยเรียนเมื่อ ว, วันเวลาผ่านผ่านไปแล้วจะมานึกเสียใจก็ช่วยอะไรไม่ได้อีกแล้ว เท่านั้นที่มีโอกาสได้ลึ้มรสอันหอมหวานจากผลพวงแห่งความสำเร็จมีแต่คนทรหจอดทนเท่านั้นที่มีชีวิตอันพาสุกเนื่องจากสามารถผ่านการทดสอบจากความยากลำบากและอุปสรรคขวามหนาได้ชีวิตมนุษย์จริงๆแล้วก็คือผลทางอันครุขค่าท่ามกลางการต่อสู้ดิ้นรนชีวิตย่อมมีทั้งสุขและทุกข์ ในขณะที่ชีวิตราบรื่นสมหวังเราไม่ควรเย่อหยิงลําพองใจเพราะว่าไม่มีใครคาดคะเนได้ว่าเคราะห์กรรมจกะกระหน่ามนุษย์คนใดยามไหนความสุขความสมหวังชั่วขณะหนึ่งไม่อาจหมายความว่าชีวิตของคนคนนั้นจะประสบความสําเร็จ น, นิรนันดรตรงกันข้ามความราบรื่สมหวังกลับทําให้คนเราประมาทเตลเลิร ไม่คิดที่จะสู้เป็นการกวักมือร้องเรียกความพ่ายแพ้ล้มเหลวมาสู่ตัวเองแท้ๆเป็นที่ทราบกันดีว่าคนที่มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขเป็นเวลานานๆ น, นั้นมักจะอ่อนแอใจสาอเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสมีชีวิตที่มีความสุขกับเขาบ้างเราก็ควรจะเปลี่ยนใจตัวเองไว้เสมอว่าเมื่อมีความสุขถึงจุดสุดยอดเมื่อไหร่ ความทุกข์ก็จะมาเยือนมีความสุขมากเพียงใดก็ทุกข์หนักเป็นทบเท่าทวีคูณเพียงนั้นในทำนองเดียวกันถ้าหากชีวิตของเราพบกับความทุกข์เจออุปสรรคหนักหน่วงเราก็ไม่ควรจะประทมทุกข์จนอกกลับหนองเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วชีวิตของคนเรามีเรื่องที่ไม่สมหวังมากกว่าสมหวังดังนั้น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 กาครคบเพื่อนเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์มนุษย์ทุกคนควรจะพยายามไปทำความรู้จักกับมิจาหายใหม่ๆเพราะว่าเพื่อนสามารถขยายขอบทายชีวิตของเราให้กว้างขึ้นทำให้รู้จักโลกใบนี้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นตราถกาสอนว่าร่ำเรียนสูงๆแต่ไร้มิจฉาหายจากโดดเดี่ยวหนองหงอยเพราะฉะนั้น ในช่วงชีวิตอันยาวนานของเราเราจึงควรรู้จักคบหาวิสาายให้มากมาหูตาจริงจะกว้างไกลชีวิตจริงจะสดใสแต่ถ้าหากว่ารู้ว่าคนไหนเป็นคนชั่วคนเลวก็อย่าคบหาขอให้เลือกคบแต่คนดีๆ Thank you. ข้อด้อยของเขาแล้วก็ควรจะมองข้อดีของเขาด้วยเมื่อจำข้อเสียของเขาได้ก็ต้องจำข้อดีของเขาได้เช่นกันต้องทราบข้อดีของตนเองและทราบข้อด้อยของตนเองต้องคิดถึงจุดเด่นของตนเองและข้อเสียของตนเองคนเราเมื่อมีข้อดีก็ย่อมมีข้อเสียแน่นอนข้อดีเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจแต่ถ้าเราประเมินค่า ข้อดีของตนเองสูงเกินไปเราก็จะกลายเป็นคนเย่อหยิงอวดดีชอบดูถูกผู้อื่นสำหรับจุดอ่อนนั้นกลับไม่น่ากลัวนักจ่กลัวก็แต่เพียงว่าตนเองไม่รู้จักสํานึกผิดไม่ยอมแก้ไขปรับปรุงจุดอ่อนข้อบกพร่องทําให้ติดเป็นนิสัยกลายเป็นคนไม่ดีไปสติปัญญาของคนเราห่างกันไม่มากมัก น, นอกจากอัจฉริยะ กับคนปัญญาอ่อนเท่านั้นที่มีระดับไอคห่างกันมากเหลือเกินคนทั่วไปจะมีไอคใกล้เคียงกันมากแต่ทําไมจึงมีบางคนประสบความสําเร็จในชีวิตอย่างงดงามในขณะที่อีกหลายคนประสบแต่ความพ่ายแพ้ล้มเหลวผมเงื่อนสําคัญสําหรับปัญหานี้ก็คือเรารู้จักตัวเองดีพอหรือไม่การรู้จักตัวเองก็คือ รู้จักประเมินค่าสติปัญญาและความสามารถของตนเองอย่างถูกต้องและเคร่งครัดอีกทั้งกล้าที่จะขยายศักยภาพซ่อนเด้นในตนเองอย่างเต็มที่จากนั้นจึงตั้งเป้าหมายและยืนหยัดต่อสู้อย่างมานะบากบัน่นความพยายามคือหลักประกันแห่งความสําเร็จผลผวนนั้นเกิดจากการสั่งสมของการเวลา คนบางคนติดนิสัยที่ไม่ดีอย่างหนึ่งคือใจใหญ่ตั้งเป้าหมายสูงเกินกำลังพูดง่ายๆก็คือไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักกาลเทศะไม่รู้จักกุมโอกาสมัวแต่ลังเลเวลาและโอกาสงามๆจึงผ่านพ้นไปเรื่อยๆในที่สุดก็ไม่ประสบความสาเร็จใดๆทั้งสิ้น อืหลอกลวงจงอย่าพูดมากเมื่อรู้ว่าถูกคนอื่นเอารัดเอาเปรียบจงอย่าแสดงออกทางสียหน้าการอดกลั้นเช่นนี้ได้ความรู้สึกและได้ประโยชน์หลายสถานคนหนุ่มสาวมักจะเลือกร้อนหุนหันพลันแล่นชอบเอาชนะทนต่อการเสียเปรียบไม่ได้แม้แต่นิดเดียวทั้งนี้ก็เพราะความคิดไม่สุขุม ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่จึงอดกลั้นไม่เป็นความจริงคนที่รู้จักอดกลั้นนั้นหาใช่คนอ่อนแอไม่และคนที่เะอะอะไรนิดอะไรหน่อยก็ชูกำปั้นสู้ก็หาใช่คนกล้าหาญไม่การอดกลั้นไม่เพียงแต่ช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายในการฝึกตนเป็นผู้มีคุณธรรมเท่านั้นแต่ยังช่วยขจัดความหงุดหงิดในหัวใจช่วยให้เรา ก้าวสู่หนทางแห่งความสำเร็จได้อีกด้วย จัดการกับปัญหาเราควรจะมีอารมณ์ขันผู้ที่รู้จักปรับตัวมักจะหัวเราะให้กับความผิดพลาดของตัวเองเสมอทําให้จิตใจที่หวาดหวัน่นคลายเครียดลงไปบ้างถ้าอยากเป็นคนมีความสุขก็ควรจะฝึกตนให้เป็นคนมีอารมณ์ขันคนที่ไม่มีอารมณ์ขันมักจะโมโหง่ายแต่สำหรับคนที่มีอารมณ์ขันเขาจะหัวเราะ เพื่อคลายทุกให้แก่ตนเองอีกทั้งสามารถใช้อารมณ์ขันของเขาช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้อื่นได้ด้วยประธานาธิบดีริงคอนเป็นคนที่มีอารมณ์ขันดีมากท่านมักจะหัวเราะหน้าตาที่ดูเปรีอบจะคล้ายกับคนอปรรคของตอนเองก่อนหน้าที่ท่านจะขึ้นมาดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกามีคู่อริทางการเมืองคนหนึ่ง บริภาษท่านว่าเป็นมนุษย์สองหน้าพระสนะที่ปดีริงคอนตอบอย่างตลกขบขันว่าขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านช่วยเป็นพยานด้วยเถิดถ้าหากข้าพเจ้ามีสองหน้าจริงๆท่านคิดว่าข้าพเจ้าจะเอาใบหน้าที่ไม่หล่อนี้มาพบกับทุกท่านหรือคําพูดที่ตลกขบขันของท่านเรียกเสียงฮาจากประชาชนคลื่นใหญ่ ถ้าหากท่านตอบโต้กับคู่ปรับทางการเมืองจนหน้าดาหน้าแดงผลของมันจะออกมาอีกแบบหนึ่งจะเห็นได้ว่าอารมณ์ขันไม่เพียงแต่สามารถผ่อนคลายความเครียดได้เท่านั้นแต่ยังช่วยแก้ปัญหาหนักๆได้อีกด้วยเมื่อเราหัวเราะคนอื่นๆก็จะหัวเราะไปกับเราเกิดเป็นคนยังจะมีอะไรสุขไปกว่าการได้หัวเราะเฮฮา ร่วมกับผู้อื่นอีกเล่าถ้าหากรักชื่อเสียงของตนเองคุณก็ควรจะคบกับ เพื่อนที่มีอุปนิสัยดีงามถ้าหากต้องเกล้าเก้อกับคนเร็วๆสู้อยู่คนเดียวอย่ามีเพื่อนเสียเลยยังจะดีกว่าการครบเพื่อนไม่จําเป็นต้องมีเพื่อนมากๆแต่ควรจะมีมิตรแท้ที่จริงใจต่อกันโบราณท่านว่ามิตรภาพของสุภาพชนจืดดังน้ําใสกล่าวคือเพื่อนที่ดีต่อกันไม่จําเป็น แสดงกริยาสนิทสนมรักใคร่ปานจะกลืนกินกันก็ได้แต่ต้องมีความจริงใจต่อกันเสมอคอยห่วงใยช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดเวลาเมื่อเพื่อนทําผิดอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องตักเตือนด้วยความหวังดีเช่นนี้จึงจะเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนแท้แต่ถ้าเพื่อนเอาแต่ยกยอเปอปั้นเราทําผิดเพื่อนก็ยังยุยงส่งเสริม เพื่อนแบบนี้ถือเป็นเพื่อนกินครบแล้วก็เป็นภัยแก่ตนเองในการครบเพื่อนเราต้องเลือกคบคนที่มีอุดมการตรงกันมีความรู้มีคุณธรรมเป็นคนดีโดยทั่วไปแล้วเพื่อนสามารถบ่งบอกรสสุนิยมของคนคนหนึ่งได้คนดีย่อมคบกับคนดีคนชั่วก็ชอบมั่วสุมอยู่กับกลุ่มของคนเลว เราไม่ควรที่จะตามใจตนเองมากเกินไปต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจบ้างเคล็ดลับในการควบคุมอารมณ์ตนเองก็คืออดกลั้นเกิดเป็นคนต้องมีน้ำใจน้ำใจจะเกิดก็ต่อเมื่อรู้จักให้อภัยความอดกลั้นเป็นศิลปะอย่างหนึ่งคนเราเมื่อยิ่งโตยิ่งใหญ่ก็ยิ่งรู้ซึงถึงศิลปะของความอดกลั้น ผู้ที่ไม่รู้จักศิล ป, ปะและคุณธรรมของความอดกลั้นมักจะเป็นคนขวางโลกไม่รู้จักรักชีวิตหรือไม่ก็เป็นโรคจิตรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่เหมือนใครเข้ากับคนอื่นไม่ได้ในที่สุดก็คิดฆ่าตัวตายคนฉลาดย่อมรู้ดีว่าโลกใบนี้นะ่ะมันบูดบูดเบี้ยวเบี้ยวเพราะฉะนั้นชีวิตจึงเลี้ยวรถคดเคี้ยวไม่ราบรื่นดังนี้แหละ จะยึดมั่นถือมั่นอะไรกับชีวิตต้องปรงๆ่งเสียบ้างจิตใจจะได้สดชื่นแจ่มใสแต่คนโง่มักใจขอขับแคบชอบนำเอาความทุกข์มาสุมไว้กลางอกแล้วก็ไม่รู้จักปลดปลงในที่สุดไม่บ้าก็ตายความจริงไอคิวของคนเราไม่แตกต่างกันมากนักแต่ที่มีคนโง่กับคนฉลาดก็เพราะว่าคนเรามักจะมีวิธีคิด วิธีมองปัญหาที่แตกต่างกันดังนั้นที่มีความอดกลั้นในระดับที่ต่างกันมีความสุขความทุกข์ไม่เหมือนกัน อยู่ต่อหน้าคนที่เก่งกว่าเราหรือมีประสบการณ์มากกว่าเราหรือคนแปลกหน้าทางที่ดีที่สุดเราควรจะพูดน้อยๆหน่อยเพราะยิ่งพูดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นผลร้ายต่อตอนเองมากเพียงนั้นเป็นต้นว่าเผยความโง่หรือจุดอ่อนของตอนเองหรือไม่ก็ทำให้เราเสียโอกาสในการเก็บรับความรู้หรือประสบการณ์ ของผู้อื่นความอยากพูดมักจะเป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งของปุถุชนเพราะอะไรเล่าก็เพราะว่าเวลาพูดเรามักจะชอบพูดถึงตัวเองเช่นคุยว่าตัวเองยิ่งใหญ่เพียงใดแบกรับภาระหนักหน่วงแค่ไหนคนที่ยิ่งเหงาหงอยหรือขาดความเชื่อมั่นในตนเองก็ยิ่งอยากพูดมากเพียงนั้นเขาอยากจะแสดงตนเรือเกิน อย่างอธิบายตัวเองเพื่อยืนยันว่าจุดยืนของเขาถูกต้องคนประเภทนี้เมื่อมีโอกาสได้พูดเมื่อไรเป็นต้องพูดโจมตีผู้อื่นเสมอถ้าเจอคนประเภทนี้เขา้ากรดยกโทษเขาเถิดเพราะว่าเขาน่าสงสารมากเขามักจะรู้สึกเสมอว่าคนอื่นช่างมีความผิดพลาดมากมายเหลือเกินมีแต่เขาเท่านั้นที่ถูกต้องมากที่สุด นักจิตวิทยากล่าวว่าประชากรยิ่งหนาแน่นความรู้สึกปลอดภัยของผู้คนยิ่งลดน้อยถอยลงและจิตใจก็ยิ่งเงียบเหงาดัางนั้นในสังคมยุคปัจจุบนันนี้คนที่ยอมฟังผู้อื่นอดครวนหรือระบายความหงุดหงิดแล้วพูดปลอบใจสักคำสองคำตามโอกาสจึงกลายเป็นนักบุญผู้ยิ่งใหญ่เลยทีเดียว คนหนุ่มสาวไฟแรงมากชอบทดลองชอบทำอะไรใหม่ๆเสมอแต่ก็ทนต่อการทดสอบไม่ได้เจออุปสรรคขวางหนาเข้านิดหน่อยก็ท้อเสียแล้วไฟจะมอดเลิกสู้ทันทีบางคนถึงกับทำร้ายตัวเองหรือไม่ก็โทษคนโน้นโทษคนนี้จนกระทั่งทำอะไรไม่สำเร็จสักอย่างทั้งนี้ก็เพราะว่าคนหนุ่มสาวขาดความเชี่อมั่นนั่นเอง ความจริงอะไรอะไรก็ทดลองทําได้ถ้าไม่ทดลองจะประเมินกําลังของตนเองถูกหรืออีกทั้งถ้าไม่ทําให้ถึงที่สุดเราจะรู้ได้อย่างไรว่าผลมันจะออกมาในรูปไหนเราจรึงไม่ควรทําอะไรครึ้นๆนนกลางๆเมื่อคิดจะทดลองทําสิ่งใดก็จงทําให้ถึงที่สุดบางทีเราอาจจะได้พบกับความสําเร็จชนิดที่คาดไม่ถึงก็ได้เราควรจะมีความกล้าหาญ และมีความเชื่อมั่นในการเผชิญหน้ากับความจริงชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคือยากำลังเพราะฉะนั้นพ่ายแพ้ล้มเหลวบ้างเป็นครั้งคราวก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยนี่นาเราไม่ควรจะสิ้นหวังแต่ควรจะฝึกฝนจิตใจให้กล้าหาญอดทนจากความพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้นเช่นนี้จึงจะประสบความสำเร็จได้ ถ้าหากคุณใจกว้างกับทุกสิ่งทุกอย่างปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นทันทีเคราะไรก็จะกลับกลายเป็นโชคดีความขัดแย้งจะแปลเปลี่ยนเป็นความสมานในฉันจิตใจของคุณกว้างขวางแค่ไหนคุณก็จะมีความสุขมากเพียงนั้นคนใจแคบมักจะทนต่อจุดอ่อนข้อผิดพลาดของคนอื่นไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเปรียบประดุดดังดวงตาที่ละเอียดอ่อนมาก มีเสศจผงเศษฝุ่นเข้าตานิดเดียวก็ทนไม่ได้เสียแล้วคนใจแคบก็เช่นกันพอเห็นคนอื่นทำอะไรไม่ถูกใจก็อึดอัดราคาญเช่นนี้จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างไรชีวิตจะหาความสุขได้หรือ ต้องปลดปล่อยความคิดจิตใจออกจากกิเลสทั้งปวงจิตใจของเราจึงจะมีแต่ความสุขอย่างแท้จริงไกลๆก็อยากมีความสุขแต่กลับไม่รู้ว่าจะสแสวงหาความสุขได้อย่างไรคนบางคนหาความสุขผิดหลักแม้จะได้รับความสุขบ้างนิดๆหน่อยๆแต่หลังจากนั้นชีวิตก็จะต้องพบกับความเจ็บปวดอย่างสาหัสความสุขเป็นความรู้สึกอย่างละเอียดอ่อน ที่เกิดจากจิตใจเป็นสิ่งที่รู้สึกได้แต่จับต้องไม่ได้ความรู้สึกชนิดนี้แตกต่างกันไปแล้วแต่บุคคลสรุปแล้วก็คือความสุขหมายถึงการมีชีวิตอยู่อย่างไร้ทุกข์ไร้กังวลคนที่รู้จักพึงพอใจในชีวิตจิตใจจะสงบสุขเมื่อสงบสุขความสุขก็บังเกิดขึ้นความสุขควรจะเป็นสิ่งที่ยืนยันยั่งยืน ความสุขชั่วประเดียวประดาวนั้นไม่ใช่ความสุขอย่างเช่นคนที่ชอบหาความสุขด้วยการดื่มเหล้าเล่นการพนันสิ่งเสพติดวันวันเอาแต่สำ ม, มะเลเทเมาไม่ยอมทํางานทําการคนแบบนี้ต่อให้มีมรดกนับพันล้านก็สิ้นเนื้อประดาตัวได้ขณะที่มัวอใบายามุกอาจจะมีความสุขจริงแต่ขับรานเงินจนหมดตัวเมื่อไหร่ ก็เจริญโมขมคืนยิ่งกว่าตกนรกอเวกีบางคนเล่นการพนันจนหมดตัวแก้ปัญหาไม่ได้ก็ฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าตัวตายบางคนเที่ยวผู้หญิงจนติดเอสเอาชีวิตไม่รอดคนพวกนี้ล้วนแต่หาความสุขผิดวิธีจึงทุกข์มากกว่าสุขเกิดเป็นคนควรยึดคติอดเปรี้ยวไว้กินหวานลำบากก่อนสุขที่หลังตั้งนาตั้งตาทางานให้ดี ดำเนินชีวิตให้ถูกทำนองครองทำชีวิตจึงจะมีความสุขอย่างแท้จริง ไม่ได้อยู่ที่การทําในสิ่งที่คุณอยากทําแต่อยู่ที่การทําใจให้ชอบในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่คมเป็นองค์กรที่สลับซับซ้อนมนุษย์จึงต้องแบ่งงานกาันทําในการแบ่งหน้าที่กันนี้บางครั้งก็ดูมีเหตุมีผลแต่บางครั้งก็ดูไร้เหตุผลคุณอาจจะได้งานที่คุณถนัดทํางานที่คุณรักหรืออาจจะต้องทํางานที่คุณไม่ถนัดใจไม่รัก แต่อย่างไรก็ตามถ้าหากคุณอยากที่มีความสุขอยู่บนโลกที่บูดบูดเบี้ยวเบียวใบนี้แล้วก็คุณก็ควรจะพยายามรักงานที่คุณทําอยู่เมื่อคุณทําใจได้แล้วคุณจะพบว่าสวรรค์ช่างจัดสรรทุกสิ่งทุกอย่างอย่างลงตัวดีเหลือเกินและเริ่มจะไม่แน่ใจเสียแล้วว่าโลกนี้ไม่ยุติธรรมหรือตัวเราเองขาดเหตุผลข้าแม่คุณจะค้นพบต่อไปว่า งานทุกอย่างมีความสำคัญมีค่ามีความหมายทั้งนั้นการที่เราไม่ชอบงานชิ้นนี้ก็เพราะเรารักความสุขสบายเห็นว่างานแบบนี้เป็นงานต่ำต้อยงานหนักเงินเดือนน้อยทำไปก็ไรอนาคตจึงไม่ชอบและที่ชอบงานแบบนั้นก็เพราะว่าเป็นงานโก้หรูงานเบาเงินดีความจริงเราไม่ควรจะนำเงินตรามาวัดค่าของงาน เ่ราค่าของงานขึ้นอยู่กับประโยชน์สุขที่ผลงานนั้นเรื้ออํานวยต่อคนในสังคมต่างหากงานที่ได้ค่าจ้างต่ําจึงไม่ใช่งานต่ําต้อยด้อยค่าเสมอไปงานที่ได้ค่าจ้างแรงงานสูงจึงไม่ใช่งานที่สูงส่งมีค่ามีความหมายเสมอไปอัตราค่าจ้างแรงงานเป็นเพียงค่าตอบแทนที่คนกลุ่ ม, มนนหนึ่งกาหนดขึ้นและคนกลุ่มนั้นก็คือ คนที่ได้เปรียบทางสังคมหรือคนที่กลุ่มอำนาจทางการเมืองไว้ในกรมือในสังคมที่เป็นธรรมอัตราค่าจ้างแรงงานจะไม่เหลื่อมล้ำต่ำสูงแตกต่างกันมากนะักค่าของงานจะวัดกันที่ประโยชน์ของผลงานตลอดจนความรับผิดชอบและความตั้งใจของผู้ทำงานเมื่อคิดได้ดังนี้แล้วเราจรึงไม่ควรนึกถึงลาบยศ สังเสริมสามารถทุ่มเทกายใจทำงานในหน้าที่ได้อย่างดีได้อย่างเต็มที่และบังเกิดจิตใจรับใช้ประชาชนขึ้นมาเองทําให้เรามีความสุขกับงานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายเมื่อทําได้เช่นนี้ไม่ว่าจะอยู่กระต๊อบหรือคอารืหานชีวิตของเราก็จะยึดติดกับแก่นแท้แห่งความสุขเสมอไป ที่รู้จักพอแม้จะยากจนคนแค้นก็ยังมีความสุขอยู่เสมอผู้ที่ไม่รู้จักพอแม้จะร่ํารวยมียศถาบรรดาศักดิ์ก็ยังมีความทุกข์ถ้าอยากมีชีวิตที่ไร้ทุกข์ไร้กังวลมีความสุขตลอดกาลเราก็ต้องคิดให้ตกตรองให้ได้ไม่สร้างความยุ่งยากผูกมัดตัวเองในการนี้เราจําเป็นจะต้องสร้างพื้นฐานความคิด ไว้สี่ประการคือหนึ่งรู้จักพึงพอใจมีความสุขอยู่เสมอการรู้จักพึงพอใจไม่ใช่ความเย่อยิงอนุรักษ์หยุดอยู่กับที่แต่หมายถึงจิตใจที่รู้จักชื่นชมสิ่งที่มีอยู่ไม่คิดแล็คิดน้อยขณะเดียวกันก็ฝ่ายหาความก้าวหน้าอย่างมานะบักบันถ้าเราไม่คิดและคิดน้อยเราก็จะไม่รู้สึกว่า ตนเองเสียเปรียบทําให้ไม่ทุกข์ไม่หงุดหงิดจิตใจจึงจะสงบสุขไม่ทุกข์ร้อนสองพึ่งตนเองสุขที่สุดหลายคนตั้งคําถามว่าฉันจะไปหาความสุขได้จากที่ไหนความจริงความสุขอยู่ในกํามือของเรานี้เองไม่ต้องไปขอจากใครที่ไหนหรอกแต่ที่ไม่พบความสุขก็เพราะเราไม่สนใจจึงกุมความสุขไม่ได้ ปล่อยให้มันหลุดมือลื่นไหลไปจากเราอย่างเงียบเชียบถ้าอยากมีความสุขก็จงขอจากตัวเราเองอยากได้ความสุขมากแค่ไหนก็ย่อมได้หัวใจของเราสามารถให้เราได้อย่างไร้ขีดจํากัด 3. ต้องเข้มแข็งในทุกสถานการณ์เราสามารถใช้สติปัญญาสร้างสรรยุคสมัยใช้ความสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เพราะฉะนั้น แม้เราตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายเพียงใดก็ตามเราก็ไม่ควรจะท้อแท้หดหู่หรือห่วงกังวลแต่ควรจะสุขุมเยือกเย็นทาใจให้เข้มแข็งและหาวิธีแก้ปัญหาที่คิดความยากลำบากสี่ต้องไม่หาทุกใส่ตัวหลายคนชอบหาเหาใส่หัวหาเรื่องใส่ตัวความจริงตัวเองก็อยู่ดีกินดี การเรียนก็ก้าวหน้าการงานก็ราบรื่นครอบครัวก็อยู่อย่างอบอุ่นมีความสุขดีแล้วแต่เขากลับไม่มีความสุขเพราะอะไรนะลื้ก็เพราะว่าเขาใช้ชีวิตอย่างไม่ถูกต้องสมบูรณ์จิตใจจึงหาความสุขไม่ได้การใช้ชีวิตอย่างไร้สาระเกินไปจะทำให้คนเราคิดฟุ้งซ่านและนั่นก็คือบอกเกิดแห่งความทุกข์คนที่ว่างเกินไปมักจะชอบหา เรื่องใส่ตัวเองและผู้อื่นทำให้ชีวิตต้องทุกข์กังวลและเศร้าโศกเช่นนี้ย่อมหาความสุขไม่ได้ ศึกษาก็จะอันตรายการศึกษากับความคิดมีความสําคัญต่อชีวิตเราอย่างยิ่งบางท่านอาจจะเห็นว่าการศึกษาสําคัญกว่าการคิดในขณะที่บางท่านอาจจะเห็นว่าการคิดสาคัญกว่าการศึกษาแต่จริงๆแล้วสองสิ่งนี้เป็นของคู่กันเสริมสร้างซึ่งกันและกันจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ทำไมกินพูดเช่นนี้ ก็ลองคิดดูสิถ้าหากคนคนหนึ่งเอาแต่ก้มหน้าก้มตาศึกษาเล่าเรียนโดยไม่ใช้หัวคิดคิดตำราว่าอย่างไรก็รับมาทั้งดุนสภาพของเขาจะมีอะไรแตกต่างไปจากสมองกลเครื่องหนึ่งเล่าจากนี้การที่เขาเก็บความรู้ไว้ในสมองมากมายแต่ไม่สามารถนำมาประยุกใช้กับชีวิตจริงความรู้เช่นนั้นก็เป็นเพียงทฤษฎี ที่ไม่มีประโยชน์แต่อย่างไรขณะเดียวกันถ้าหากคนคนหนึ่งเอาแต่ครุ่นคิดทั้งวันโดยไม่ยอมลงมือศึกษาค้นคว้าความคิดของเขาอาจจะผิดเพี้ยนไม่ถูกต้องกลายเป็นคนฟุ้งซ่านที่ปิดประตูขันตัวเองอยู่ในห้องมืดโบราณท่านว่าคิดผิดเพียงนิดเดียวทำผิดเป็นโยดเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรคิดโดยไม่ยอมศึกษา คนขวา ใจได้เปลี่ยนยืนยิ้มเยียบเงียสาดี